บทสวดที่เราสวดแต่ะวันแต่ละครั้งหรือแม้แต่แต่ละบรรทัดให้เราสวดยังมีสติแล้วก็พิจารณาความหมายด้วยนะที่ให้สวดมนต์ปแปลก็เพราะว่าเพื่อเราจะได้รู้ความหมายไม่ใช่สวดเพื่อเอาความศักดิ์สิทธินะ์หวัง อพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพนะหรือว่าหวังว่าจะมีสิริมงคลนะอำนวยโชคอำนวยเปลือยให้กับเรานะแต่คิดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการสวดแบบงมงายนะที่ให้สวดมนต์แปลเพื่อเราจะได้รู้ความหมายและพิจารณาก็จะเกิดปัญญาถ้ะบ่อยครั้งเราสวดนะ ซ้ำไปซ้ำมาก็เลยสวดแบบผันผ่านทัง้งที่ถ้าเราสวดยังมีสติก็อาจจะได้แง่ายคิดอย่างเช่นมีประโยคนึงเนี่ยนะทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนอันนี้หลายคนก็คงสวดผันผ่านแล้วนะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือ คิดาเออธรรมะเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมันย่อมเกิดสุขกับเราอันนี้ก็ถูกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าถ้าธรรมะเนี่ยเราไม่ปฏิบัตินะมันก็ไม่เกิดประโยชน์แม้จะเพียงแค่อ่านท่องจําได้ประโยชน์ก็เกิดน้อยหรือจะเกิดโทษเดําเพราะว่าพออ่านแล้วท่องได้แล้วก็ เผลอคิดว่าเป็นคนมีธรรมะแล้วหรือว่ารู้ทำแล้วเกิดความหลงตัวลืมตนเปิดทางให้มานะทิฏฐินะเข้ามาครอบงำใจธรรมะนี่มันต้องปฏิบัตินะแต่ว่าต้องปฏิบัติด้วยดีด้วยอย่างข้อความเมื่อกี้เนี่ยนะทำที่ประพฤติดีแล้วนะ ไม่ใช่แค่ประพฤติเฉยๆนะต้องประพฤติดีด้วยนะมันหมายควาว่าอาจจะประพฤติไม่ดีก็ได้ถ้าประพฤติไม่ดีก็ไม่เกิดสุขนะถึงแม้จะเป็นกุศลธรรมก็ตามหรือแม้จะเป็นธรรมที่ผู้เจ้าตัดด้วยพระโอษฐ์เองธรรมที่ประพฤติไม่ดีก็อาจจะนำทุกข์มาให้ประพฤติไม่ดีก็หมายความยังไงก็คือไม่เข้าใจความหมาย ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายเห็นเขาทำก็ทำกันตามๆกันไปเห็นเขานั่งหลับตาก็นั่งหลับกับเขาบ้างหรือเห็นเขายกมือก็ยกมือบ้างแต่ไม่รู้ว่าทำไปทาไมนะหรือบางคนก็ไปติดว่าเนี่ยถ้าจะปฏิบัติเจริญสติต้องยกมือนะนะถ้าไม่ยกมือสร้างจังหวะก็แสดงว่าไม่ปฏิบัตินะบางทีก็ไปเลยคนที่ เขาไม่ยกมือว่านี่เธอไม่ปฏิบัตินะเนี่ยนะอันนี้ก็เกิดจากความหลงเกิดจากความเข้าใจผิดก็ได้นะว่าคนที่จะ ป, ปฏิบัติหรือเจรเิญสตินี่เขาต้องยกมือนะนะถ้าไม่ยกมือก็แสดงว่าไม่ปฏิบัติอันนี้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่อยู่ที่รูปแบบมันอยู่ที่ใจนะว่าตอนนั้นเนี่ยใจมีส ต, ติไหม นะหรือว่าปล่อยใจลอยมีความรู้สึกตัวหรือเปล่าก็าอาจจะไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะก็าอาจจะครึงนิ้วแต่เราไม่เห็นหรือเขาอาจจะมีสติโยกการฟังก็ได้การที่เขามีสติโยกการฟังนะไม่ปล่อยใจไหลออกไปนอกตัวไปอดีตไปอนาคตก็เรียกว่าเ้าปฏิบัตินะหรือว่าเขาฟังด้วยความรู้สึกตัวนะ อันนี้ก็เรียกเป็นการปฏิบัติหรือขณะที่ฟังมันมีอะไรกระทบใจทําให้ขัดใจเขาก็รู้ว่าใจกระเพื่อมแล้วเขาก็วางมันลงนะไม่ปล่อยให้ความขุ่นเคืองมันมาครอบงำจิตใจอันนี้ก็ถือว่าเขาปฏิบัติเหมือนกันหรือแม้แต่เห็นเขานอนอยู่นะก็ไปว่าเขาไม่ปฏิบัติ อันนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเขานอนอยู่ก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะปฏิบัติก็ได้ผู้เ จ, จ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดก็ตามแม้ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนถ้าหากว่ามีอกุศลธรรมใดเกิดขึ้นนะแล้วก็สลัดมันนะไม่เข้าไปยึดติดในอกุศลธรรมหรือไม่ถูกความงามในอกุศลธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทาความเพียนเผาเกล็ไอ้นนเห็นเานอนอยู่นะ เขาก็ปฏิบัติก็ได้อาจจะเป็นการเจริญสติหรือว่าอาจจะกำลังทำความเพียรไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจงั้นถ้าเราไปติดที่รูปแบบนะหรือว่าทำตามคนอื่นเขาโดยที่ไม่เข้าใจจุดจมุ่งหมายอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ถูกหรือปฏิบัติไม่ดีนะหรือว่า เวลาทําบุญให้ทานรักษาศีลไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรก็ทํามันใหญ่เลยแต่ทําแล้วก็วางจิตวางใจไม่ถูกต้องเช่นทานเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเหตุผลต่อการคือเพือลดความเจ้าหนีนะลดความโลภลดความยึดติดในสิ่งของอ น, นี่บางคนให้ทานเนี่ยก็ให้จริงนะแต่ว่าให้ด้วย ที่มีโลภะก็ได้ก็คือว่าให้สิบนะก็อยากได้ร้อยนะให้ร้อยก็อยากจะถูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือว่าอยากจะให้คนยกย่องว่าฉันเป็นคนใจบุญเวลาทำบุญก็ต้องมีการถ่ายรูปเอาขึ้นเฟซบุ๊กเพื่อประกาศให้รู้ว่าเนี่ยฉันเป็นคน ใจบุญสุนทานนะอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าทําด้วยจิตที่มีกิเลสนะเจอด้วยกิเลสนะรักษาศีลนนะก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวเพื่อให้เขารู้นะว่าฉันรักษาศีล น, นะเพราะว่าท่านุ่งปกติคนจะไม่รู้ว่าฉันเอามารักษาศีลมาเข้าวัดนะอันนี้มันก็แสดงว่ามีการทําด้วยจิตที่เจือด้วยมานะ มานะ ค, คือความสำคัญมตนหมายในตนในตัวตนทำอะไรก็อยากจะให้คนรู้ทำแล้วก็อยากจะประกาศตัวตนว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยทั้งที่ศีลเนี่ยมีไว้เพื่อลดนะโลภะโทสะโมหะทำให้ตันหามานะทิฐิเบาบางแต่ว่าพอไม่รู้ความหมายนะก็ทำจริงนะนะรักษาศีลแต่ว่าวางใจไม่ถูก อันนี้ก็ทําให้กิเลสมันไม่ได้ลดเลยนะอาจจะเพิ่มผูนมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นทุกข์ด้วยนะเพราะว่าคนไม่เห็นคนไม่เห็นว่าเรานุ่งขาวห่มขาวมาวัดหรือว่าให้เพื่อนถ่ายรูปว่าฉันมาทําบุญแต่ว่ามันถ่ายไม่ติดนะโกรธเพื่อนนะเพราะทำให้ไม่มีใครรู้ว่าฉันมาทําบุญอ่าอันนี้ก็เรียกว่ามันเกิดโทษแล้วละ่ะเกิดทุกข์ขึ้นมา เพราะว่าทำบุญเนี่ยนะเขาไม่ได้เพื่อประกาศตัวตนให้โลกรู้นะว่าฉันทำดีแต่เพื่อลดนะตตนีลดความโลภในใจถ้าวางจะไม่ถูกไม่รู้จุดมุ่งหมายของการทำบุญให้ทานรักษาศีลก็เรียกว่าประพฤติไม่ดีนะเมื่อทำประพฤติไม่ดีก็ทำให้เกิดทุกข์ได้แม้ว่าอากับกิริยาจะเป็นการให้ทานเป็นการรักษาศีล ภาวนาก็เหมือนกันนะถ้าภาวนาไม่ถูกนะไม่ได้คิดที่จะภาวนาเพื่อลดรักกินเลศนะมุ่งแต่จะเอาความสงบหรือว่าหวังความสำเร็จทางจิตนะอยากให้หูทิพตาทิพอยากจะเห็นนรกสวรรค์อาจจะลงเอยด้วยการเป็นคนสติฟัน่นเฟือนก็ได้นะมีจำนวนมากที่พอมาทำสมาธิแล้วเนี่ย เกิดเพี้ยงขึ้นมานะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องของการทําสมาธิภาวนาหรือว่าการทําวิปัสสนานะทำเพราะอยากจะได้มีฤทธิ์มีเดชนะอยากจะเห็นสีเห็นแสงนะหรือว่าอยากจะเห็นนรกสวรรค์เห็นไปทํำไมจะได้ไปอวดคนก็ได้ว่าเนี่ยฉันนะมีความสามารถทางจิตพิเศษ อันนี้ก็เป็นการทําด้วยกิเลสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดทุกข์ตามมางนะั้นอย่าไปอย่าไปโวยวายว่าทําไมฉันทําแล้วเนี่ยถึงเกิดทุกข์ทำไมถึงทําแล้วฉันเกิดเพี้ยนขึ้นมานะก็ไปโทษนะพระธรรมคาสอนจริงๆคาสอนนั้นดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราปฏิบัติไม่ดีเองนะงั้นคําว่าทำมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่า จะปฏิบัติยังไงก็ได้นะมันต้องปฏิบัติให้ดีด้วยนะทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนถ้าประพฤติไม่ดีเนี่ยก็ทําให้เกิดทุกข์นะอันนี้เมื่อเมื่อเราเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยนะเราก็พยายามนะพยายามที่จะอะทำความกระจาใจให้ได้ว่าธรรมะนะแต่และข้อแต่และเรื่องเนี่ยว่ามีจุดมุ่งหมายอะไร ซึ่งถ้าจะว่าไปลวจุดมุ่งหมายสุดท้ายก็คือเพื่อลดนะโลภะโทสะโมหะนะหรือเรียกอยันตงว่าลดตัณหามานาติฐิหรือพูดง่ายๆคือลดกิเลสแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขนะอย่างที่บอกว่าคือต้องทำให้ถูกบางทีรู้จุดมุ่งหมายแล้วแต่ว่าให้น้ําหนักไม่ถูกนะมันก็เกิดปัญหาได้นะอย่างเช่นเวลาจิตหดหู เสื่องซึมนะถ้าเกิดว่าไปทำสมาธิก็อาจจะทำให้เสื่องซึมหนักขึ้นก็ได้นะผู้จะตัดว่าเปรียบเหมือนกับไฟที่กำลังจะมอดและต้องการให้ไฟนี่มันลุกแต่ว่าดันไปเอาญ้าที่สดๆโยนเข้าไปมันจะลุกได้ยังไง่ะมันก็มีแต่จะฝ่อลงไปหรือวเวลาฟุ้งซ่านเนี่ย นะถ้าเกิดไปทําความเพียรหนักขึ้นมันก็จะฟุ้งกว่าเดิมก็อย่าไปคิดว่าเอ๊้ทําไมฉันปฏิบัติทำทําไมไม่ได้ผลก็เพราะว่าไฟที่กําลังลุกเนี่ยแล้วเราต้องการจะให้มันให้มันสงบลงเนี่ยนะก็ควรจะโดนโยนห้าแห้งลงไปไอ้ห้าย้าสดลงไปไม่ใช่โยนหรือใส่หญ้าแห้งไฟกําลังไหม้แล้วก็อยากจะให้มันเบาแล้วแต่ดันไปโยน ใส่ยญ้าแห้งใบไม้แห้งมันก็ลุกสิวิริยะเนี่ยนะความเพียร น, นะทูตาตตัดว่ามันเป็นธรรมที่เป็นองค์แห่งการตัดสรุ้ก็จริงนะเรียกว่าพชงแต่ว่าก็ต้องใช้ให้ถูกเวลาถูกกรณีคนที่กำลังฟุง้งนะถ้าทำความเพียรยิ่งกว่าเดิมนะก็จะฟุ้งหนักนะ ก็มีภาษาวกบางท่านเนี่ยนะที่ทำความเพียรเท่าไหร่นะก็ไม่ได้เห็นทำนะไม่ได้เข้าใจทำเลยเพราะว่าท่านทำความเพียรมากไปอย่างพระสนะนะกริวิสาเนี่ยนะท่านทำความเพียรจนกระทั่งเรียกว่าเท้าแตกทางจงกรมนี่ไหลมีเลือดนองเลือดไหลเป็นทางเลยไม่ใช่เลือดไหลเป็นทางหมายความว่าเลือดนี่นะเปืดเปื่อนตามทาง ก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาจดยนัพุทธเจ้าต้องมาตัดสอนว่านะไอ้พินที่มันถ้าขึงให้ตึงเกินไปดีก็ไม่เพราะถ้าหย่อนเกินไปดีก็ไม่เพราะนะต้องขืนพอดีพอดีก็พูดเป็นในให้ท่านเนี่ยได้รู้ว่าต้องทําความเพียรแต่พอดีมากไปนะ่ะก็เป็นโทษได้เนะพอท่าน นะทําความเพียงแต่พอดีก็คือลดดีกรีลงก็ในสุดก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งในธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เพราะว่าเนะี่ยท่านรู้จักทําความพอดีโดยอาศัยธรรมะให้ถูกกรณีนะคือจิต ก, กําลังฟุ้งซ่านนี่ถ้าเติมความเพียรเข้าไปยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่ไม่ใช่ว่าความเพียรไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ถูกกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าทำที่ประพฤติดีแล้วเนี่ยนอกจากจะหมายถึงรู้ความหมาย รู้จุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยก็ยังต้องรู้ถึงจุดแข็งนะหรือว่าข้อจำกัดของธรรมะแต่ละข้อนะนะพชงมีอยู่สองส่วนนะคือวิริยะธรรมวิริยะแล้วก็ปิตินะที่เป็นฝ่ายกระตุ้นนะในยาที่หดหูง่วงนอนซึื่องซึมเนี่ยต้องใช้ธรรมะสามข้อนี้แต่ถ้าจิตฟุ้งอยู่แล้วเนี่ยใช้ธรรมะสามข้อนี้ยิ่งฟุ้งใหญ่ ในทางตรงข้ามจิตที่กําลังถ้าเสื่องซึมงดหูนี่นี่ก็ต้องใช้เวรียะใช้ปิดติดใช้ธรรมวิจยะถากว่าจิตฟุ้งซ่านมากไปนะก็ต้องใช้สมาธิใช้ปัสสัทธิใช้อุเบกขาเนี่ยก็ช่วยทําให้จิตเนี่ยฟุ้งซ่านน้อยลงพูดสุก็คือว่าต้องใช้ถูกกรณีด้วยนะถ้าใช้ผิดกรณีนะก็ทําให้เกิดโทษ ไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการเอ้ม้คำ ว, ว่าทำที่ปฏิบัติให้ถูกนะถูกกรณีนะหรือว่าถูกจุดมุ่งหมายนี่แหละจึงจะทำให้เกิดสุขนะอนนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายสูงสุดนะของการปฏิบัติก็คือการลดกิเลสถ้าทำแล้วเนี่ยแค่จิตสงบจิตสบายมันยังไม่ใช่ อ่ายังไม่ใช่จุดมุ่งหมายนะที่ต้องการนะมันมีประโยชน์อยู่นะแต่ว่าอย่าไปคิดว่าเท่านี้พอพราคนเราเนี่ยนะแค่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเนี่ยนะมันก็สบายได้แล้วเหมือนกันทุกเย็นเนี่ยนะที่สะพานเนี่ยมันจะมีหมาสองตัวนั่งและนอนนอนอย่างสบายเลย ชื่นชมธรรมชาติรอบรอ บ, รอบสระเจ้าหมูมูนะกับเจ้าขาวเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสงบมากเลยจริงๆก็จะหาคนที่มีความสงบนะแล้วก็สบายอย่างมาสองตัวนี้ก็ยากนะเพราะว่าหลายคนมาที่นี่แล้วก็ยังหาความสงบไม่เจอเพราะว่าอะไรเพราะจิตฟุ้งให้มาสองตัวนี้ไ ม, ม่ฟุ้งเลยนะมันอยู่กับปัจจุบันแท้ๆเลย มันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตนะมันก็เลยอพอถึงเวลาแดดร่มลมตกมันก็มานั่งมานอนชื่นชมธรรมชาตินะด้วยอารมณ์ที่สุนทรีมากเลยทําอย่างนี้ก็ยากนะแต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีกินนะมันไม่หิวมันไม่เจ็บไม่ป่วยนะถ้าเกิดมันหิวเมื่อไรหรือว่าเกิดมีหมานะมา มาจากที่อื่นมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนิสัยเลยนะอาจจะกลัวบ้างละ่ะหรือไมอ่อาจจะมีความก้าวร้าวบ้างละนะอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับนักปฏิบัติ น, ะนักปฏิบัติเนี่ยเวลาที่ไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยนะก็สามารถจะสงบได้นะยิ่งกินอิ่มนอนอุ่นนะไม่หิวห่ยไม่เจ็บไม่ป่วยนะไม่มีงานการให้ต้องทําไม่มีภาระความรับผิดชอบที่ต้อง ต้องเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็อาจจะสงบได้แต่ว่าก็อย่าประมาทนะเพราะว่าไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นความสงบเพราะว่าไม่มีอะไรมากระทบนะหลายคนเนี่ยพอมาอยู่วัดเนี่ยเออพอมีกินมีฉันนะมีที่นอนนะไม่ต้องไปทรมาหากินแถมไม่มีงานไม่มีการก็สบายหรือบางทีก็พยายามหลีกเลี่ยงงานการ นะเพราะว่ากลัวว่าจะทําให้ใจไม่สงบนะอันนี้มันก็สงบได้นะถ้าจะเปรียบได้ก็เหมือนกับมาสองตัวนั่นแหละมันก็สบายนะแต่พอมีอะไรมากระทบเนี่ยเนะก็อาจจะเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความกลัวนั่นมีความสงบที่อเกิดจากการที่ชีวิตมันสบายราบรื่นไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ไม่ต้องเจออะไรที่ม า, าทำความขุนเคืองหรือว่ามาคุกคามไอความสงบแบบนี้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันชั่วครั้งชั่วคราวนะเรามาปฏิบตัติถ้าเราได้ความสงบแบบนี้เนี่ยมันก็ดีแต่ว่าอย่าอย่าพอใจเท่านั้นมันต้องสงบถึงขั้นที่เรียกว่ากิเลสเบาบางด้วยกิเลสเบาบางถ้าสงบเพราะว่ า, าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะเพราะว่าทุกอย่าง มีคนมาปลนเปลอยใหนะ้มีงานการอะไรก็ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ต้องไปเจอผู้คนอันนี้ก็อาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะอยู่ในความเสี่ยงได้เพราพอเจอมีอะไรมากระทบนะก็ทําให้เกิดความว้าวุ่นวุ่นวายนะเกิดความไม่สงบขึ้นนอะกปฏิบัติเราต้องนะต้องอปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ใช่แค่ความสงบหรือความสบายเท่านั้นนะ แต่ว่าต้องทําให้กิเลสนะมันลดลงด้วยนะกิเลสก็คือโลพาโทสะโมหะหรือว่าตันหามนานตทิฐิเพราถ้ากิเลสยังไม่ลดเนี่ยนะนะพอเจอมีพอเจออะไรกระทบนะพอมีงานการที่ต้องทําพอมีความรับผิดชอบก็กลายเป็นว่าวุ่นวุ่ น, ว, นวายขึ้นมาแล้วคนหลายคนเนี่ยพอเจอแบบนี้เข้าก็ยิ่งพยายามที่จะหลีกเรื่องเรื่องงานการหลีกเลี่ยงความรัรบผิดชอบเพราะกลัวว่าจิตจะไม่สงบ ก็กลายเป็นว่าต้องหนีเรื่อยไปนะจิตใจอ่อนแอต้องคอยหลบคอยซ่อนไม่ให้งานการเข้ามาหาไม่ให้ความรับผิดชอบเข้ามากระทบหรือไม่ให้มีคนเข้ามาข้องเกี่ยวก็กลายเป็นจิตใจที่อ่อนแอแล้วถึงเวลานะั้นมันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นนะเพราะว่าคนเราไม่ใช่ว่าเราจะจะเจอแต่สิ่งที่พอใจอย่างเดียวไอ้สิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่ไม่ถูกใจนะมันก็จะต้องเข้ามาหา แล้วถ้ากิเไม่ได้ลดนะความยึดติดถือมั่นไม่ได้เบาบางนะมันก็จะต้องเกิดความทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นเพราะความคาพูดคาต่อว่าด่าทอหรือว่าความวุ่นวายนะที่มากระทบทำลายความสงบความสบายของเราหรือว่าเพราะความเจ็บความป่วยไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันก็จะทยอยเข้ามานะถึงเรา ไม่ว่าจะหนีแค่ไหนก็หนีไม่พ้นนะถ้าเราไม่ไม่ฝึกใจไว้เลยนะที่จะทำให้กิเลสเบาบางตัณหามาลทิฐิลดลงความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูนะมันเจือจางลงเนี่ยก็ต้องต้องวุ่นวายนะต้องเป็นทุกข์ในวันข้างหน้านะการเจริญสติเนี่ยนะเราก็ต้องนะต้องให้ต้องรู้นะว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยนะ มันไม่ใช่เพื่อความสงบเท่านั้นแต่ว่าเพื่อการที่มีปัญญาเห็นว่ า, ากิเลสเ ท, ที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยเป็นที่มาของความทุกข์มันนำไปสู่ความยึดติดถือมั่นนะตัวกูของกูนะที่งตัวกูของกูนี่ยังไม่ครบนะมันต้องมีอีกตัวหนึ่งนะตัวกูของกูนี่ก็คือตันหาแล้วก็ทิฏฐนะิอีกตัวหนึ่งก็คือว่าถ้าอ า, าจารย์ท่านเจคุณภพคุณาพรท่านใช้คาว่านี่กุนะ ตัวกูของกูนี่เป็นคำของท่าเจ้าพุทธทาตนะซึ่งยังไม่ครบดีนะเพราะว่ากิเลสมันมีสามนะตัณหาทิฏฐิแล้วก็มานนะอย่างที่เราสวดอนัตตลกนณสสูตรเนี่ยนะที่บอกว่าเนี่ยนั่นของเรานั่นเป็นเรานะนั่นคือตัวตนของเราเนี่ยอันนี้ครบสามนั่นของเรานะก็คือตัณหานะนั่นเป็นเราก็คือมานะ แล้วก็นั่นตัวตนของเราคือทิฏฐิทิฏฐิที่ว่าคือสั ก, กยทิฏฐินะคือความความคิดหรือความหลงนะว่าไอ้กายและใจเนี่ยเป็นตัวเรานะเป็นตัวตนนะแต่ถ้าเรียกพูดง่ายๆคือตัวกิเลสเนี่ยอันนี้ถ้ามันมีสามตัวนี้อยู่เนี่ยนะมันก็ยังมีความยึดติด ถ, ถือมัน่นแล้วพอมีความยึดติดถือมั่นเนี่ยพออะไรก็ตามที่มันเป็นมันไม่เป็นไปอย่างที่ยึดทิฏฐิ หรือว่าไม่เป็นไปอย่างที่ยึดที่อยากเนี่ยก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเราเจอสติเนี่ยนะเราก็มีสติรู้ทันความคิดรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะมันก็ทําให้สงบได้นะเพราะว่าไอ้ความไม่สงบในจิตใจก็เกิดจากความคิดนั่นแหละมันเริ่มจากความคิดก่อนนะคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วคิดถึงอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงพอคิดแล้วเนี่ยใจมันก็เป็นทุกข์ละเพราะเศร้าบ้างละพอโกรธบ้างละ เพราะอะไรอวร์บ้างละ่ะหรือไม่ก็พราะวิตกกังวลนะกระวนกระวายเนี่ยไอ้พุทธิทาให้ใจไม่สงบจากความคิดนําไปสู่อารมณ์เศร้าเสียใจโกรธรู้สึกผิดวิตกกังวลกระวนกระวายอันนี้พอเรารู้ทันความคิดรู้ระวางเนี่ยมันก็ไม่ปรุงทําให้เกิดอารมณ์อย่างที่ว่าใจก็สงบนะแต่ว่า แต่าใดที่ยังมีกิเลสยังมีความยึดติดถือมัน่นนะยังมีความเพ่งแค่ตัวผูง้ง่ายๆนะยังรักตัวรักตนในทางที่ผิดยังเอาตัวตนเป็นสูงกลางนะมันต้องมีต้องเจอความทุกข์อยู่ร่ําไปนะนั่นจะเอาความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยต้องมีปัญญาจนเห็นว่าโอ้ไอความยึดติดนะในตัวกูของกูหรือความที่มาสําคัญหมายว่านี่กูน่ะนี่แหละนะมันเป็นที่หมายความทุกข์ แล้ทั้งหากว่าลดละได้เนี่ยนะเวลาเจออะไรที่มันมากระทบนะเจอคาต่อว่าดอาทอเจ อ, เจอความสูญเสียพัดพรากเจอความเจ็บความป่วยมันก็จะไม่ทุกข์ใจมากนะกายป่วยนะ่าแต่ใจไม่ป่วยเพราะไม่ไม่ได้มีความยึดมาสําคัญหมายว่ากูป่วยหรือมีความยึดติดถือมว่ากายนี้เป็นกูเป็นของกูอ่มันป่วยก็ป่วยไปนะ พร้อมเป็นธรรมชาตธรรมชาตินะแต่ว่ามันไม่มีจิตที่รู้สึกป่วยไปด้วยหรือรู้สึกทุกข์ไปด้วยเวลามีใครมาต่อว่าด่าทอก็แม้แต่ว่ากูนะเจ็บกูปวดนะเพราะว่าไอ้ตัวกูมันเบาบางนะพอตัวกูก็บางแล้วดา่าดายังไงก็ไม่ถูกตัวกูนะไม่มีตัวกูได้ซ้ํานี่ด่ายังไงนะก็ไม่เจ็บ เหมือนกับที่อาจารย์ว่ารชัยได้พูดเมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อไม่มีกระจกแล้วเนี่ยนะฝุ่นมันจะเกาะที่ไหนเมื่อไม่มีกระจกแล้วเนี่ยมันจะเจอก้อนถินยังไงก็ไม่มีควาว่ากระจกแตกนะแต่ใดที่มีกระจกนั้งก็ต้องคอยนะไม่ใช่แค่คอยเช็ดไม่ให้ฝุ่นมาจับนะต้องคอยระวังไม่ให้ก้อนถินมาตกกระทบด้วยเพราะถ้าก้อนหินตกกระทบเมื่อไหร่ก็แตกนะ ไอ้คนนี้มีความยึดติดในตัวกูเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องคอยต้องคอยรักษาไม่ให้คําต่อว่าด่าทอนะมาถูกเพราะถ้าถูกเมื่อไหร่นะไอ้ตัวกูมันก็จะเจ็บนะเหมือนกับกระจกเนี่ยพอโดนก้อนหินมันก็มันก็แตกนะถึงแม้มันไม่แตกมันก็อ่าร้าวนะขณะเดียวกันก็ต้องคอยเช็ดนะคอยเช็ดนะคอยรักษาใจไม่ให้ มีมนทินมีกิเลสเข้ามาเข้ามาเกาะอันนี้เพราะยังมีความยึดติดในตัวกูอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวกูเลยนะมันก็ไม่มีความจําเป็นละนะที่จะต้องมาใช้กระจกนะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องมาคอยระวงังไม่ให้ก้อนหินมาตกนะก้อนหินมันตกลงมาสู่กระทบความว่างก็ไม่เกิดอะไรขึ้นฝุ่นมา มาจับที่ความว่างน่ะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นงั้นถ้าเรามีปัญญาเนี่ยนะจนเห็นเลยนะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวกลวของกูัตั้งแต่แรกไม่ต้องพูดถึงการละตัวตนเลยซ้ำเพราะเมื่อไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูัแล้วคําว่าละก็ไม่เกิดขึ้นนะถ้ายังคิดว่ามีละมีการละตัวกูัวกระแส่ายังมีตัวกูที่ต้องละแต่ความจริงคือมันไม่มีตัวกูัที่จะต้องละแล้วก็ไม่มีของกูัที่จะต้องสละด้วยอันนี้ก็มันจะเป็นที่มาแห่งความ นะความไม่ทุกข์อย่างแท้จริงนะซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีปัญญาเห็นความจริงนะแต่ว่าปัญญาแบบ น, นี้มันก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราได้มันนะบําเพ็ญภาวนานะไม่ใช่เพียงแค่ให้เกิดความสงบนะชั่วครู่ช่วยามนะแต่ว่าต้องทําให้สงบจากกิเลสนะหรือว่าสงบเพราะไม่มีกิเลสเพราะไม่มีความเห็นแก่ตัว แต่ในระหว่างที่ยังไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยนะก็ต้องพยายามนะพยายามฝึกพยายามพาตัวเองนี่เข้าไปเจอนะกับสิ่งต่างๆเป็นการทดสอบดูด้วยว่าใจเราเป็นอย่างไรนะเช่นไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจนะไปเจอความยากลำบากบ้างนะเพื่อเราจะได้เห็นใจที่มันมีกิเลสมากน้อยเพียงใดนะไม่ใช่หนีนะไม่ใช่คอย เก็บตัวอยู่แต่ในกุตตินะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องไปเจอผู้คนอันนี้มันเป็นการหนีปัญหานะซึ่งมีนจะทำให้เราอ่อนแอลงแล้วก็ทำให้กิเลสเนี่ยมันได้ช่องนะกิเลสมันก็เติบโตเรื่อยไปนะเพราะว่าเราไม่คิดที่จะหรือจะถอนมันไม่คิดที่จะสั่นคลอนมันนะในเมือ่อรูากิเลสมันไม่ชอบความวุ่นวายนะไม่ชอบเสียงดังนะ มันไม่ชอบคำต่อว่าดาทอนะไม่ชอบไม่ชอบทำงานไม่ชอบเขาไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรก็ยังต้องผลักให้กิเลสเขาไปเจอสิ่งเหล่านั้นนะเขาเรียกว่าทรมานกิเลสนะถ้าเรถ้าเราผหข่งแหงกิเลสทนุถนอมกิเลสกิเลสไม่ชอบอะไรก็สนองมันทำตามมันนะมันไม่ชอบความวุ่นวายมันไม่ชอบเสียงดังก็คอยหนีนะหนีผู้คนหนีเสียง กิเลสมันก็ยิ่งกำเริบเข้าไปใหญ่กิเลสมันไม่อยากจะเหนื่อยมันไม่ชอบเหนื่อยก็ยอมนะอะไรที่ต้องทำงานฉันก็หนีนะมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอันนี้ก็ทำให้กิเลมันโตขึ้นโตขึ้นนะและพอถึงเวลามันก็ปวนั่นนะสร้างความปวนปวนให้กับจิตใจทำให้หาความสงบได้ยากนะไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นจากความสบายไม่มีอะไรมากระทบมันก็เลยกลายเป็นการสร้างเชื้อ นะสร้างโอกาสใหนะ้กิเลสมันมีอำนาจนะกำเริบนะก่อกวนจิตใจเรามากขึ้นนอกปฏิบัติเราเราต้องนะต้องอย่าไปพเน็อพ น, พ น, พ น, พนพกิเลสมากนะต้องพยายามที่จะเข้าไปเอาตัวเข้าไปเจอความยากลำบากเจอสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างก็อาศัยสตินี่แหละนะเป็นเครื่องช่วยนะที่ทำให้ ความทุกข์เพราะว่ากิเลสมันกาะกลวมันวุ่นวายเนี่ยมันไม่สามารถจะคลองจิตคลองใจได้นะมันโวยวายในรูปของความกรวัวความไม่พอใจความขัดเคืองเราก็รู้นะรู้แล้วก็แค่เห็นมันเฉยเฉยนะมันก็ไม่สามารถจะกาะกลัวได้แต่ถ้าไม่เห็นมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เข้ามาครอบงบจิตใจเราแล้วเราก็ทุกข์แล้วเราก็อยู่ในอำนาจของมันแล้วเราก็ จะต้องหาทางปรนเปรมันต่อไปทําตามที่มันต้องการสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะเป็นอิสระจากกิเลสได้สักทีและเราก็ในสุดก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นนอกจากปฏิบัติเนี่ยต้องพร้อมในะที่ต้องเจอกับนอกจากการปฏิบัติในรูปแบบแล้วเนี่ยต้องพร้อมที่จะพาตัวเองเข้าไปเจอความยากลาบากไปเจอกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยไปเจอกับสิ่งที่มันมีผัสสะร้อนแรงมากระทบนะ เพือที่เราจะสามารถรักษาใจได้แม้ว่ากายมันจะลำบากหรือว่าแม้จะมีสิ่งมากระทบต่างๆมากมายก็ตามคำนิยมพวกุกธธรรมนี้